จเจริญพรทุกทกท่านฟังพอเทศนาไม่ต้องขนมือเราไม่ต้องดัดแปลงอะไรให้ ธ, ธรรมดาสำรวมใจสำคัญที่สุดทางร่างกายใครถนัดนั่งขัดสมาธิไป ใครถนัดก็นั่งปลาเพียบใครนัด น, นั่งเก้าอี้ก็นั่งเก้าอี้ธรรมะไม่เกี่ยวกับท่านั่งเวลาฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาสำคัญสำคัญมากเหมือ น, นเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระอุทธเจ้าพระุทธเจ้าของเราปรินิพานแล้วแ้วก่อนปรินิพานเนี่ยท่านสั่งไว้ให้เอาธรรมาวินัยเนี่ยเป็นศัตรดา งั้นในขณะที่เราฟังธรรมเราต้องทําใจว่าเรากําลังเข้าเฝ้าโพุทธเจ้าต้องสํารวมนะจิตใจที่สงบจิตใจที่สํารวมกิริยา ว, วาจาอะไรต้องเรียบร้อยวาจาของเราเวลานี้ปิดไปนะไม่คุยกิริยามารยา่าสเรียบร้อยไม่กระตุกกระตาถ่ายรูปถ่ายรูปเลยนะไม่ถ่ายกี่ลังไม่สําคัญธรรมะสําคัญกว่ารูป มือถือใครเปิดไม่ก็ปิดสะ ก, ก่อนปิดเสียงก็ยันพะีควรคนอื่นครูบาอาจารย์ย้ำมากเลยว่าเวลาอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่ปฏิบัติเนะี่ยต้องไม่รบกวนคนอื่นแค่เราเดินดังนิดเดียวนะท่านดูแนละ้วไม่ให้เดินดังให้เดินมีสติเดินสำรว้บอกคนเขากำลังพอมาว่าจะได้มากได้ผลนะ เราเดินกลงกลาบก็ตกใจ้ชิตถอนลงมาเนี่ยบาป ม, ม, มากการฟังธรรมก็ไม่มีเรื่องอะไรมากนะเรื่องของธรรมะเราเรียนเรื่องของกายของใจเหล่านี้แหลยไม่พ้นเรื่องกายเรื่องใจไปเครื่องมือในการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติองที่กายที่ใจไม่เกินนี้ออกไ ป, เ, ปเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติมันมีสองอัน สติอันหนึ่งสมาธิอันหนึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญถ้าเรามีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสิ่งที่ได้มาคือปัญญาถ้าปัญญาที่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นปัญญาที่เห็นความจริงของร่างกายจิตใจนีของธาตุของของันธ์ของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจเมื่อไหร่นะเห็นความจริงแจมแจ้งเมนะื่อไหร่ ความยึดถือในกายในใจจะหมดสิ้นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องแกล้งทําว่าไม่ยึดนะมันไม่ยึดเองถ้ามันเห็นความจริงของกายของใจได้พอไม่ยึดกายไม่ยึดใจได้นะจะไม่ยึดสิ่งใดในโลกอีกพวกเราจำท่านพุทธทาสได้ไหมจำชื่อท่านได้ไหมท่านพุทธทาสสอนบ่อยๆนะสัพเพ ธ, ธรรมานารังอนภะินิเวศญาติความจริงเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน รีจะสอนพระอินทร์ให้หทำไปธรรมะที่เด็นแก่นสารสาระสูงสุดเลยก็คือสอนบอกว่าไม่ยึดมัน่นทำทั้งหลายทั้งปวงไม่คยึดมัน่นคําว่าทำทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าไม่ยึดมันนะ่นก็คือรูปนามกายใจของเราเนี่ยสูงสุดก็คือพระนิพพานสิ่งที่เรีว่าทำนะคือกายคือใจของเราเนี่กับธรรมะอีชนิดหนึ่งคือพระนิพพานเขาไม่ยึดถือ ถ้าเราไม่ยึดถือในกายในใจไม่ยึดถือกระทั่งสิ่งที่พ้นกายพนใจออกไปคือปฏิภาณันนั้นแหละที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่นั้นหลวงพ่อเรียนจากูบาอจารย์นะท่านก็สอนการปฏิบัติมาหลวงพ่อต่างกับครูบาอจารย์ที่ท่านบวช ต, ตั้งแต่เด็กๆครูบาอจารย์ส่วนใหญ่สมัยก่อนนะท่านบวชมาแต่เล็กๆในบวชเนร อยู่กับวัดมานานหลายสิบปีชีวิตส่วนใหญ่ท่านอยู่ในวัดความที่จะรู้จักโลกอะไรนี้ท่านไม่รู้ปวดแต่เล็ก ๆ, ๆส่วนใหญ่ครูบาจังก็พานั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิภาวนาแล้วจิตสงบแล้วท่านให้ถอยออกจากสมาธินะเวลาสมาธิเวลาจิตมันเคลื่อนออกจากสมาธิแล้วท่านให้พิจารณาร่างอายมีการกระตุ้นไม่ให้จิต ติดความสงบของสมาธิอยู่เฉยๆแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นครวาสมานานกว่าจะได้บวชอายุตั้งสี่สิบแปดที่บวชช้าเนี่ยเพราะว่ามีภาระต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่กว่าพ่อแมนะ่จะหมดภาระของพ่อของแม่เนี่ยอายุเยอะพอนานมานานอยากบวชนะแต่ไม่ได้บวชหรอจนทำใจเลยเมื่อไหลเข้ามานั้น าอายุ48ถึยจะได้ปวญและชีวิตส่วนใหญ่ของหลวงพ่อเนี่ยเหมือนพวกเราเป็นฆราวาสไม่ใช่คนที่โตมาในวัดการที่หลวงพ่อโตมาจากวามเป็นฆราวาสเนี่ยหลวงพ่อปฏิบัติในขณะเป็นฆราวาสเหมือนที่พวกเราเป็นอยู่ขณะนี้งนั้นธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นธรรมะที่เหมาะที่ฆราวาสทาได้ ถ้าไม่ไมาสอนหลวงพ่อให้นั่งสมาธิที่เรหลายๆชั่วโมงจริงๆหลวงพ่อนะะ่ะนั่งสมาธิมาตั้งเด็กนะตอนเด็กจริงๆเรียนกับท่านพอลีวิวัสทศกรามนะเรียนในนั่งสมาธิทำความสงบเดินปัญญาไม่เป็นเลยจนอายุ29่ปี25งห้ายยีไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนกรรมฐานท่านสอนให้ดูจิต ด, ดูใจตนเองมาเลือกที่หลังว่าทำไมท่านสอนแปลก ไม่สอนให้ดูจิตดูใจตนเองเมื่อเป็นกรรมฐานที่ฆราวา์ทำได้การดูกายเนยจะทำได้ดีต่อเมื่อเราส่งสมาธิส่งฌานะเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางของสมถะญาณิส่วนการดูจิตดูใจเเป็นเส้นทางของวิปัสสนาญาณิคนที่เดินด้วยวิปัสสนา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 ถ้าเราจะเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าจให้ครบ เ, เราจะรู้เลยว่าท่านสอนไม่หลากหลายมากแนวทางปฏิบัติใหญ่ๆเนี่ยมีสามแนวหนึ่งใช้สมาธินําปัญญาแล้วทสมาธิไปก่อนออกจากสมาธิแล้วมาพิจารณา ก, กายมาดูกายดูความเป็นจริงของกายอีกเส้นหนึ่งในเส้นใช้ปัญญานําสมาธิ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 เรียนกับลงปุดุลนั่งสมาธิมาแต่เด็ก เ, เลยพอถึงขั้นโตขึ้นมานะท่านสอนให้เจริญปัญญาด้วยการดูจิตหลภงพทิ้งสมาธิไปเลยรู้สึกว่าเสียเวลาไปยี่สบสองปีไม่มีอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะทิ้งสมาธิไปเลยแล้วก็ดูจิตรวดไปอาศัยกำลังของสมาธิที่ฝึกอยู่ทั้งยี่สิบสองปีจิตมีกาลังมาก ดูจิตดูอยู่ได้สองปีนะดูไปได้วยดูอยู่เจดเดือนช่วงแรกดูอยู่เจดเดือนหลวงปู่ก็ไปส่งการบ้านหลวงปู่ก็เล่าให้ท่านฟังนะแค่พูดนิดเดียวผมนั่งไปแล้จิตมันเคลิบเคลิ้มลงไปท่านอธิบายหมดเลยหลังจากนั้นนะเราไม่ได้ส่งการบ้านไม่ได้พูดแล้วท่านสรุปให้ฟังเลยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เ ป, นนเป็นขณะขณะขณะไปท่านบอกจิตมันเข้าสมาธิ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 จิตตั้งมงอยู่ที่จิต จ, ต จ, ต จ, ตจตริงอรมักจะเกิดได้ก็ตรงที่จิ ต, จตนี่แการปฏิบัติไม่ใช่แค่มีสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธินะยังมีอีกแนวหนึ่งคือสมาธิและปัญญาควบกันซึ่งคนยุคนี้ทำได้น้อยลูกศิษย์หลวงพ่อที่หลวงพ่สอนมานับจํานวนไม่ท้วนนะมีคนที่เดินในแนวสมาธิและปัญญาควบกันเนี่ยนำตัวไดนะ้มีไม่กี่คน ที่จะใช้สมาธิและปัญญาควบผันได้นะต้องชนานาญสองอย่างหนึ่งชำนาญในฌานเป็นฤาษีเลยเข้าฌานจะเป็นฤาษีเลยชํานาญในการเข้าชนานาญในการทรงอยู่ชํานาญในการออกจากฌานอันที่สองจะต้องชนานาญในการดูจิตดู ก, กายเก่งเนี่ยจะไปเดินปัญญาในฌานไม่ได้นะจะต้องเข้าฌานแล้วออกมาแล้วมาดู ก, กาย พวที่เดิปัญญาในฌานเนี่ยเขาจะเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปขององค์ฌานเช่นเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของวิตกุิจารณของปิติของสุขของอุเบกขาเห็นสิ่งเหล่านั้นเสื่อมไปสิ้นไปในยุคเราเนี่ยคนทำได้มีน้อยเพราะว่าคนที่ทาําฌานได้มีน้อยมากเลยก็ตั้งในสมัยพุทธกาลนะในสมัยพุทธกาล คนที่ทำฌานได้แล้วไปเดินปัญญาจนเป็นพระอรหันต์มีน้อยกว่าคนที่ทำไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละไม่ใช่ว่าเข้าฌานเก่งทุกคนนะ cool ถ studies, ึงจะเป็นพระอรหันต์ได้และเขา้าใจผิดไร้แรงเลยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกพิสุพิสุทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์จำนวนห้าร้อยงค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ยหกสิบองค์คนได้วิชาสามนะ เราดูชาติได้นะรู้ว่าใข่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลนได้ในวิชาศาสตท่านเราเี้กสงชาติต้องเล่นชาติมา ก, ก่อนอีกพวกหนึ่งท่านได้อภิญญาหกหกิหงอภิญญาหแสดงฤทธิ์ได้อทุทิป 7, ตาทิพเจโตปริยะญาณเลยพวกนีนะ้พวกนี้ก็ส่งชาตนะมี60สอีกพวกหนึ่งเป็นอุปโตภาควิมุตต์อุปโตภาควิมุตต์เนี่ยคือตอนที่บรรลุมรรคผลนะ เข้าอารูปฌานไม่ใช่เข้ารูปฌานเข้าถึง อ, อรูปเลยวันนี้มีหกสิบโมงเงกระทั่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านที่ทรงฌานแล้วมาเป็นพระอรหันตะ์มีหกสิบบวก6กสิบวกหกสิบหกสามสิบแปดร้อยแปดสิบจากห้าร้อยก็คือสาสเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือคือคนอย่างพวกเรานี่คนที่ไม่ได้ฌานแต่อาศัยสมาธิ ช่วขณะที่เรียกว่าคณิกะสมาธินะก็อาศัยสติเป็นเครื่องมือพวกเราอย่านึกนะว่าเราทำชาญไม่ได้แล้วเราจะปฏิบัติช้ากว่าพวกทำชาญได้ไม่ใช่เข้าใจผิดเลยนะคนทำสมาธิได้เท่าชานได้บางทีก็าทาความสงบแนละ้วก็ติดอยู่ที่ความสงบนะั้นะติดอยู่หลายๆปีนิ่งว่างๆอยู่นั้นเดินต่อไม่ได้จริงต้องเดินปัญญาเป็น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 เป็นวิธีที่จะหัดแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจท่านพิจารณาร่างกายจนร่างกายนี้สลายหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีร่างกายนะเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วพิจารณากายไปเรืเผามันบ้างฉีกมันบ้างทํำลายมันบ้างแต่จิตรวมลงไปเหลือแต่จิตอันเดียวพอออกจากสมาธิจิตเคลื่อนออกจากสมาธิเกิดร่างกายมีร่างกายขึ้นมาเนะี่ยท่านจะมีความรู้สึกซาบซึ้งถึงใจเลยว่า ร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเมื่อกี้ไม่มีร่างกายตอนนี้ร่างกายเกิดขึ้นมาเ็นกายกับจิตเป็นคนละนัเป็นแค่วิธีนะวิธีแยากกายกับใจออกจากกันจุดสำคัญก็คือถ้าเราจะลงมือปฏิบัติเนเราจะต้องพัฒนาเครื่องมือ2ตัวขึ้นมาเครื่องมือตัวที่1คือสติที่ถูกต้องเครื่องมือที่2คือสมาธิที่ถูกต้อง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 อย่างเขาสวดมนต์เขาละหมาดนะเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอะไรเนะจิตใจเขาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่วอกแวกไปที่ไหนนะเลยก็ได้สมาธิอย่างนี้แหละสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวหรือพวกเราหากพุโทโธพุโทโธนะจิตสงบอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหนเลยเนี่สมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์นั้นคือพุโทโธรู้ลมหายใจแล้วจิตไม่หนีไปจากลมหายใจเลย ก็ได้สมาธิที่จิตไปสงบในรมันเดียวคือลมหายใจดูท้องฟองยุบนะจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตอยู่ที่ท้องอย่างเดียวก็ได้สมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในรมันเดียวเนี่อสมาธิอย่างนี้มีทั่วๆไปใครๆก็ทำกันส่วนใหญ่ที่นั่งสมาธิกันจะทำสมาธิชนิดนี้เลยไม่รู้จักสมาธิอีกชนิดหนึ่ง่เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้า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 เข้าใจพิธีปฏิบัติอะไรหลวงปู่รับรองแล้วว่าเข้าใจแล้วช่วยเรียนได้แล้วหลวงพ่อออกไปหาครูบาอาจารย์อื่นหาประสบการณ์เรียนไปเรื่อยเลยจากหลวงปู่ตูนไปหาหลวงพ่อพุทธหาหลวงปู่เทศหลวงปู่ศิลป์หลตามหาบุญหาไปทั่วนะครูบาอาจารย์อง์สุดท้ายที่หลวงพ่อไปเห็ยนด้วยคือหลวงปู่สุวัสดิ์ที่ท่านเดิก่อนท่านอยู่ที่นี่เหมือนกันหลวงปู่สุวัสด์เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์องสุดท้ายเลย ที่หรงพอไปเรียนด้วยหลังจากนั้นไม่ได้เรียนกับใครอีกครูบาอาจารย์จํานวนมากที่ไปเรียนด้วยนะท่านสอนลงมาที่เดียวกันลงมาที่จิตนี่ท่านสอนว่าพุทโธนะให้อัาพุทโธแต่พุทโธนะนะแล้วเคยรู้ทางจิตอะไรคือพุทโธพวกเราเคยใครเคยหัดพุทโธว่ายกมือซิมีไหมพุทโธพุทโธรู้ไหมพุทโธคืออะไร พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนัถ้าเราจะหัดพุทโธนะไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองนะพุทโธนกแก้วนกขุนทองจิตสงบอยู่กับพุทโธก็ทําสมถะถ้าพุทโธเป็นนะจิตจะถอนตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีหัดพุทโธให้ถูกถูกหลักถูกเกณฑ์ก็คือเวลาพุทโธเนี่ย ไม่ใช่มุ่งให้จิตไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่กับพุทธโธแล้วสงบอยู่กับพุทธโธแต่ให้คอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปจากพุทธโธเนื้อต่างกันนะถ้าเราน้อมจิตให้ไปอยู่กับพุทธโธเป็นสมถะแต่ถ้าเราพุทธโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตจิตมันหนีไปจากพุทธโธเ ร, รารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติหลวพ่อหัดหายใจตั้งแตดเอง หายใจเข้ า, ห า, ออนะางงหายใจออกนะเจอทั้งลมหายเจตื้นกลายเป็นแสงสว่างวัดลมมันเจะสว่างอยู่ที่เนี้ยเพราะลมมันจุดอยู่ตรงนี้กลายเป็นแสงแล้วหลวงพ่อคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปอยู่กับแสงสว่างเนี่ยแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปรู้จิตก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเป็นดวงเป็นหนึ่งแล้วเนี้ยค่อยเจริญปัญญาคอยมันเจริญปัญญาหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิต ดูความเปรี่ยนแปลงของจิตงั้นหลักที่พวกเราจะมาฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็ใช้วิธีทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่จำเป็นว่าต้องพุทโธไม่จาเป็นต้องหายใจอย่างที่หลวงพ่อทําหรอกนะอะไรก็ได้สิอย่างหนึ่งอย่างหลวงพ่อเทียนท่านขยับมือ้องใครเคยได้ยินชื่อท่านไหมหลวงพ่อเทียน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 หลวงพ่อพยายามจะดูจิตตัวเองยามหาพระจิตอยู่ที่ไหนดูทั้งในร่างกายขนเล็บฟันหนังเลื้กระดูกหาจิตไม่เจอดูไปที่ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็หาจิตไม่เจอสุดท้ายหลวงพ่อสว ด, ดมนต์ในใจสวดมนต์ก็คือการคิดนั่นเองคิดขึ้นมาคิดบทดสวดมนต์ขึ้นมาพุทโธสุดๆโธกรุณามหันตโมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาทั้งขั้วมหันตลรู้ท่านว่าจิตคิดพุบจิตรู้ก็เต่นขห้นมาเลยปุบขึ้นมาเลย เลยรู้แล้ว่าตัวนี้ตัวเก่านะตัวเดิมเคยทําได้มา้แต่หัดนั่งสมาธิรู้ลมาหายใจแล้วนะมันตัวเดียวกันนะเนี่ยงั้ น, ะนะตัวรู้เนี่ยเราได้มาหลายแบบนะทําได้หลายแบบทําสมาธิมาจนกระท่านได้ตัวรู้ขึ้นมาก็มีนะหรือรู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิดก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมานงั้วเราต้องมาฝึกนะจนกระทั่งเรามีตัวรู้เวลาที่มีตัวรู้เกิดขึ้นเนี่ย เราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นโคนละอันกันไม่จะเห็นเองว่ากายกับใ จ, จยแยกออกจากกันมันจะเห็นเองนะว่าความสุขความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจมันแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งมันจะเห็นได้เองนะเวลาจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาว่ากุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหล ง, ท, ลงทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกมันแยกออกไปจากจิตอีกะเวลาหันไปเรื่อยนะถ้าเมื่อไหร่มีตัวรู้นะขันมะันจะแยก ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเรียกรูปขันแยกออกไปความสุขความทุกข์เรียกว่าเวทนาขันแยกออกไปอยู่ตา่างเวทนาความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตจิตเป็นวิญญาณขันหรือกุศลอกุศลทั้งหลายก็แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งเป็นสังขารขันเจนมหาบัวรูปท่านหน่อยเจนมหาบัวเคยสอนนะ ว่าถ้าแยกทาแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาใมท่านฟันธงขนาดนี้เลยนะดงนั้นถ้าเราอยากเจริญปัญญานะถ้าเราเจริญปัญญาได้ถูกต้องได้มากพอเราจะได้มากผลนิพพานถ้าเราไม่เจริญปัญญาทำแต่สมาธิไม่มีทางได้มากผลนิพพานออกสมาธิไม่ได้ได้ไม่ได้ให้มากผลนิพพานเรา สมาธิอย่างสงบก็ให้ความสงบสมาธิอย่างตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้นมาเฉยๆนะพอจิตตั้งมั่นได้ต้องอัแดแยกธาตุแยกขันต์ต่อไปนะค่อยๆดูไปวิธีที่พวกเราจะฝึกแยกธาตุแยกขันตนะ์ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเดีนะ๋ยวพวกเราขณะ น, นี้นั่งอยูนะ่แทนที่นั่งแล้วใจใจลอยไปที่อื่นนะนั่งแล้วค่อยรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันนั่ ง, งใจเป็นคนดูค่อยๆฝึก่างนี้ก็ได้ เวลาใจเป็นหนีวิคิดรู้ทันใจมันก็จะกลับมาเป็นผู้รู้เพราะใจมันมาเป็นผู้รู้แล้วดูลงไปอีกร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ให้มากมากนะในที่สุดเราจะเห็นว่ากายกับใจแยกออกจากกันอย่าไปจงใจแยกเขาต้องแยกของเขาเองก็กายกับใจแยกออกจากกันได้นะ ถึง จ, จะเจริญปัญญาได้ที่จะเห็นได้ร่างกายไม่ใช่เรานะร่างกายที่เคลื่อนไปอยู่เนี่ไม่ใช่เราเลยไม่ต้องคิดเอาว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราแต่มันไม่เป็นเราอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละความสุขความทุกข์ที่เกิดนะอย่างสชงเรานั่งนั่งให้นานๆ น, นะอย่ารีบกระดุกกระดิกนั่งไปเรืเ่อยๆสักพักเดียวน้ำจะปวดปวดเมื่อยคนส่วนใหญ่พอปวดพอเมื่อยนะก็จะขยับเปลี่ยนอิริยาบถไม่ยอมรู้เลยว่ากําลังปวดอยู่ พวกเราอย่าเพิ่งขยับเวลามันนั่งไปอดทนหน่อยพอ n ั่งไปมันปวดขึ้นมาเราค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันนั่งอยู่ตั้งนานนะความปวดความ like เมือม่อยมันมาทีหลังเพรา้ความปวดความเมื่อยกับร่างกายนี่เป็นคนละอันคับนี่เป็นการหานแยกแยกขันนะที่หลวงตามมหาบัวแยกธาตุแยขันไม่เป็นอย่ามาอวดเราว่าเดินปัญญานะนั้นเรามาต้องมาหานแยกธาตุแยขันแยกธาตุแ ย, แยขันได้เนี่ยจิตต้องเป็นคนดูเพราะจิตเป็นคนดูแล้วเนี่ยถ้าสตินะมันรู้ ควาเคลื่อนไหวของร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติมันไปรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์มันจะเกิดกัญยาขึ้ น, นเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติไประลึรกรู้ว่าโรคขึ้นมาโกรธขึ้นม า, ลสาสลหลงขึ้นมานะฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วเนี่ยสติเป็นตัวไปรู้ทั้ ว, ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจในจิตตั้งมั่นเป็นคนดูถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเห็นว่า โลภโกรธหลงก็ไม่ใช่เราเป็นสภาวะที่แปลกปลอมเข้ามาชว่วครั้งโชว่วงเราไม่ใช่จิตด้วยเ น, นื้อหาอย่างนี้มากๆนะถ้าเราอยากได้มาผลนิพพานในชีวิตนี้ก็หันให้เยอะๆหน่อยส่วนการทําบุญทำทานรักษาศีลอะไรก็ทําไปเถอะทําทบุญทําทานรักษาศีล ก, ก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ไปนิพพานหรอกไปไม่ได้กําลังของบุญอย่างไรมันต่ำไปนั่งสมาธิไม่ได้พาให้ไปนิพพาน กำลังบุญของการนั่งสมาธิเคขายังําไปสิ่งที่จะพาเราไปนี่พาได้คือปัญญาแต่ปัญญาเกิดลอยๆไม่ได้เราอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยการเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยบ่อยๆจะทำใด้นะจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้สักวนเหมือนงานแรกที่พวกเราต้องทำนะไม่นับการรักษาศีลนะรักษาศีลเป็นงานเบสิกที่ต้องรักษาอยู่แนละ้ว สิ่งที่เราจะต้องมาทําก็คือการมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าฝึกสมาธิที่ถูกชนิดซนะก่อนวิธีฝึกให้ใจยอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือทํากรรมฐานขึ้นมาอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดในะครทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งใครขนาดพุทโธก็พุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันใครขนาดรู้ลมหายใจก็าหายใจไปจิตนี้ไปคิด launcher, เรารู้ทันนะ คนไหนถณะดูท้องผองยกก็ดูไปดูไปแล้วก็จิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันให้จิตมันเคลื่อนนะรู้ทันเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจก็ได้นะก็ให้รู้ทันเคลื่อนไปดูท้องของยุบ ก, ก็ได้ให้รู้ทันอันที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหลจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนนะโดยที่ไม่ได้บังคับไว้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะแล้วจิตจะตั้งมั่นเองที่ใช้หลักนี้นะอยู่ๆไปบังคับให้จิตไม่เคลื่อนแล้จะแน่นไปหมดเลยตึงไปตึงเคกินไป จิตเคลื่อนไปแล้วเราไม่เห็นเนี่ยหย่อนไปกลัวจิตจะเคลื่อนแล้วบังคับไหมอันนี้ตึงเกินไปแต่ถ้าจิตเคลื่อนเรารู้ว่าเคลื่อนจะตั้งมั่นพอดีทางสายกลางอยู่ตรงนี้ฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ลืมตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจถ้าลืมกายถ้าลืมใจเตือนปัญญาไม่ได้เพราะการเดินปัญญานั้นต้องดูความจริงคือไตรลักษณ์ของกายของ ใ, องใจ ถ้าเมื่อไริ่มกายเมื่อไริืมใจไม่ได้เดินปัญญานะแล้วนะเดือดขาดสติถ้ามีสติก็ต้องรู้สึกกายรู้สึกใจมีจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูกายเป็นคนดูใจมาทํางานนะได้ฝึกแบบนี้ให้มากนะถ้าจิตมันเดินปัญญาเป็นนะมันจะเริ่มถอนตัวออกจากโลกงานแรกเลยที่มันจะถอดตัวออกนะจะถอดตัวออกจากอารมณ์ที่ไม่เข้าไปจับจิตของเราเนี่ยชอบโดดเข้าไปตะครุบอารมณ์นะ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 ขณนะนั้นที่นั้นที่เราไปดูรถเข้าชนกันนะ่ะเราเห็นอะไรเราเห็นรถชนกันใช่ไหมในขณนะนั้นลืมกายในขณะนั้นลืมใจนี่จิตเราลงไปที่อารมณ์คือรูปที่ไปเห็นเราได้ยินคนเขาคุยกันนี่มันยินทาเราหรือเปล่านะสนใจขณะที่สนใจสิ่งที่เขาคุยกันนะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมนี้จิตมันลงไปทางหูขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องราวที่คิดนะ แต่ขณะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมนี่หลงไปทางใจเวลาที่พวกเราคิดสังเกตไม่เวลาที่เรานั่งคิดอะไรเพลินๆยุ่งกัดก็ไม่รู้นะหรืออะไรเกิดขึ้นไม่รู้นะก็ะอะไรเข้าใจมันหลงไปมันอะไรเกิดในกายก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่รู้นี่ปกติเราจะหลงไปที่อารมณ์ตลอดเวลาจิตเรียกว่าจิตมันหลงไปที่อารมณ์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 มีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมงั้นเมื่อไรใจลอยก็หลงอารมณ์ะลืมกายลืมใจตัวเองใจลอยนะ่าจะใจลอยไปดูใจลอยไปฟังใจลอยไปคิดนะใจลอยไปดูตรงนี้มีรูปดวงตานะเป็นรูปที่สวยมากเลยผ่องใสามากเราตั้งใจดูสิเราเห็นความสงบและร่าเริงภายในของท่านไหม สังเกตไหมขณะที่จงใจดูหลงตานะเรามีกายเราก็ลืมใช่ไหมเรามีใจเราก็ลืม เ, เรียกได้ว่าลหลงอารมณ์เรานะนะใจเราออกข้างนอกใจเราไหลไปข้างนอกหลวงปู่ดูลบอกยาสง่งจิตออกนอกนะงั้นเวลาเราไปดูนะเราก็ลืมกายลืมใจเวลาเราไปฟังเราก็ลืมกายลืมใจเวลาเราไปคิดเราก็ลืมกายลืมใจหลวงปู่ดูลเรียกว่าสง่งจิตออกนอกนะไหลไปข้างนอกหมดลืมตัวเอง ถ้ามัดื่มตัวเองจิตมันไปคลุกกับอารมณ์นะแล้วเมื่อไหร่สติหรือสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บนะมันจะหลุดออกจากอารมณ์ะถ้าหลวงพ่อหันใหม่ๆเป็นโยมเหมือนพวกเรานี่แหละหลวงพ่อเคยสังเกตเห็นะจิตมันเข้าไปจับอารมณ์เลยเป็นก้อนอยู่กลางหน้าอกนี่เลยใครเคยเห็นตัวนี้ปุ๊บจิตนเข้าไปจับอารมณ์อยู่เลแน่นอยู่กลางหน้าอกเลยถ้าจับแรงกยแน่นมากนะจับเบาๆก็แน่นน้อยหน่อยจิตเข้าไปจับนะหลวงพ่อพออยายามดู ถ้งไม่จะหลุดออกมาให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดวานแยกออกจากอารมณ์หนะัดใหม่ๆนะตั้ง7วันนะแยกออกมาได้แป๊บเดียวเขาไปจับใหมนะ่พยายามดูใหญ่ค้นคว้าพิจารณาหลุดออกมาได้อีกวันแล้วหลุดออกมาได้แป๊บหนึ่งนาที2นาที3นาทีแต่ไม่เกิน5นาทีเขาไปจับอีกเนี่พยายามฝึกนะพยายามที่ให้มันแยกแยกแยก ม, มันไม่แยกจริง จนกทั้งวันหนึ่งนะมันมีปัญญาขึ้นมามันเห็นเลยว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวทุกข์จิตไปจับอารมณ์ทีไรจิตหลงออกไปยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสัมผัสยึดเรื่องราวที่คิดนะ่ะความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจทุกทีจะแน่นขะึ้นมาเพอะมันรู้ตัวนี้นะมันไม่จับอารมณ์นะมันจะปล่อยออกมาจากอารมณ์พอจิตปล่อยอารมณ์ทัจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้เลยไม่ไหลไปจับอารมณ์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 เงื่อนเราหันภาวนาเนี่ยเบื้องต้นนะ่ะถึงยังไม่ใช่พระอริออยบุคคลนะจิตก็แยกออกจากอารมณ์ได้นะจิตถอนตัวจากอารมณ์ได้จิตปล่อยวางอารมณ์ได้แต่มันมันมเกาะอยู่ที่กายที่ใจไม่ปล่อยนะทำไมมันปล่อยกายปล่อยใจไม่ได้ปล่อยอารมณ์มันง่ายเป็นของข้างนอกอยังปล่อยง่ายเราพยายามฝึกนะตอนนั้นตอนเป็นโยมแล้วพยายามฝึกวนะ่าทําไงในสามวินาทีเนี่ยจิตจะหลุดออกจากอารมณ์ได้ ทุกคราวที่จิตเข้าไปจับอารมณ์นะภายในสามวินาทีต้องหลุดให้ได้เนี่พยายามฝึกนะพยายามฝึกเรื่อยทําสมาธิจิตตั้งมั่นก็ถอนได้ไหมือนกันแต่ว่านี่ยังไม่ใช่วิปัสสนานเป็นการแก้อากาศที่จิตไปจับอารมณ์และจิตจับอารมณ์เมื่อไรจิตจะลืมตัวเองเราไม่ต้องการให้จิตลืมตัวเองต้อการให้จิตเป็นผู้รู้ทำมาใช้วิธีรู้ทันจิตให้ขับเคลื่อนไปเคลื่อนไปจับอารมณ์นะจิก็ได้เป็นตัวรู้ให้นมา รู้จักหลวงปูสิมไหมหลวงปูสิมหลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อนะหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผูร้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้ไม่ทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้สอนอย่างนี้นะทําไมเรียกอะไรว่าผู้รู้เพราะจิตเราเป็นผู้รู้จิตเราตั้งมันทั้งท่าที่เป็นฆราวาสนี่แหละจิตเราตั้งมันเป็นผู้รู้ได้ต้องฝึกนะงั้นเราคอฝึกวิธีฝึกก็คือทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาต่อไปพอจิตหลงอารมณ์ปุ๊บนัะรู้ทันปุ๊บเนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเลยในเวลาันสั้นยิ่งเร็วยิ่งดีนะเกิดลดความตายมีเวลาสวินาทีสามวินาทีจิตจะได้ตั้งมัน่น จ, จะได้ไม่แปรอบายนะเลฝึกต่อไปนี่จนการที่มาปล่อยอันที่อันแรกเนี่ยปล่อยอารมณ์นะอันนี้ง่ายปล่อยที่ยากขึ้นมากนะ็คือปล่อยวางกายปล่อยกายนี่ยากนะ ถ้าปล่อยช่วครั้งชั่วคราวนี่ก็พอปล่อยได้ยถ้าปล่อยถาบอนเนีไม่ยึดไกากคือภูมิธรรมของพระอนาคามนะีพระอนาคามีเนี่ยท่านแจ่มแจ้งนะว่ากายนี้เป็นก้อนทุพล้วนๆ น, นะหรือกายนี่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ล้วนๆถือเจะปล่อยได้ถ้าไม่แจ้งตัวนี้ไม่ปล่อยหรอกหนะลวงพ่อหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะมีคราวหนึ่งหลวงปู่สุวัตเนี่ยท่านมาอยู่อเมริกานา น, านท่านกลับไปเมืองไทยไปอยู่ที่ส่วนทิพ มันที้มอยู่ปักเด็ดหลวพ่อไปกราบท่านตอนนั้นนะหัดภาวนาแล้เห็นจิตมันปล่อยกายออกไปนะแต่ปล่อยแล้วเดี๋ยวก็ไปจับปล่อยแล้วก็เดี๋ยวก็จับหลุบหลุบโรโผล่นะไม่ใช่ธรรมะจริงหรอกหลุบหุบโรโผล่อยู่ครนี้วันที่ไปหาท่านปกติเนี่ยจิตมันปล่อยกายแล้วกายก็ทํางานจิตอยู่ตาหางฝึกอย่างนี้เรื่อยๆวันที่ขับรถไปหาท่านตอนนั้นยังไม่ได้บวชไปกับแม่ชีสองคนนี่นะ ขับรถไปตอนนั้นแม่ชีไม่ได้บวชนะไม่ใช่หลวงพ่อเป็นฆราวาสเป็นหลอกแม่ชีไปไม่ใช่แม่ชีกปยังไม่ได้บวชหรอกไปหาหลวงปู่สุวรรณเขาขับรถไปหาท่านออกจากบ้านไปไม่นานเน่ยจิตดันจะจับกายเข้ามปอีกนะที่แรกมันปล่อยกายได้นะว่าจะเอานเรื่องนี้ไปให้ท่านดูว่าจะถูกไม่ถูกจะต่อยอยังไงมันดันเขาไปจับอีกจับไปเฉยวท่านจะถึงที่ที่ท่านอยู่แล้วนะมันก็ไม่ปล่อยนะม่ว่าทําังไงก็ไม่ปล่อยนะ สุดท้ายใจมันเฉลียวคิดขึ้นมาแล้วเออมันเป็นอนัตตานะมันจะจับมันก็จับของมันเองมันจะปล่อยมันก็ปล่อยของมันเองเราทําอะไรไม่ได้หรอกใจไม่คิดอย่างนี้นะพอใจมันโปร่งตกนะเริกดิ้นที่จะให้ปล่อยกายมันหลุดปุ๊บก็มเลยไม่ใช่มากผลอะไรนะหรือมัวแค่ว่ามันปล่อยใกายไปชั่วค่งชั่วคราวเท่านั้นเองพอปล่อยเข้าไ้นะก็ไปหาหลวงปู่นะพราท่านก็เฉดนะจันจรัสหลวงจำรัสไหม เข็นหลวงปู่ออกมากราบหลวงปู่นะหลวงปูน่นท่านเก่งมากนะท่านเก่งมากจริงๆเลยจิตท่านไวมากเลยพอท่านเห็นท่านก็ยิ้มยิ้มนะท่านบอกว่าเวลาจิตมันเข้าไปจับกายไม่ได้พูดหลว่าไม่ได้ส่งงานบ้านเลยนะท่านบอกเลยเวลาจิตมันเข้าไปจับร่างกายนะทำงานมก็ไม่หลุดหรอกแล้วเห็นไตรักษมันก็หลุดเลยแลท่านสรุปเป็นสิ่งที่เราเข้าใจให้มา โอ้เก่งจริงจริงนะเราต้องหัดนะค่อยๆหัดถ้าเมื่อไหรเราเห็นความจริงของร่างกายนะว่าร่างกายนี้เป็นก้อนถูกลวนๆจิตจะปล่อยร่างกายแล้วไม่จับอิกแต่ถ้าไม่มีปัญญาเห็นจริงๆนะจะปล่อยแป๊บๆเดี๋ยวค่อยมาจับใหม่นะต้องฝึกนะต้องฝึกดูความจริงของร่างกายให้มากเลยเราเห็นความจริงของร่างกายเนืองเนง ร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีร่างกายนี้ไม่ใช่ของมิเศษไม่ต้องคิดเอาแต่รู้สึกเราอย่างพวกเรานั่งอยู่นี่เมื่อยบาอย้างยังเมืเ่อยไหมเมื่อยเราคอยรู้สึกนะอย่าเพิ่งขยับพอรู้โอ้เมื่อยแล้วก็ค่อยขยับหน่อยนะขยับได้แต่ว่าอย่าขยับก่อนรู้นะให้รู้สกักกว่าแล้วค่อยขยับนะพวกเราลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกเลือสุทุกใช่ไหม หายใจออกที่หายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์เรื่อสุขทุกข์เราทุกข์อยู่ทุกข์ลงหายใจเข้าออกนะต่างกายเนี้ยทุกข์อยู่ทุกข์ทุกอิริยาบถนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไหมนอนนะก็ต้องพลิกซายพลิกขวาเนาาะมันทุกข์นั่งอยู่ก็ต้องขยับไปขยับมามันทุกข์เดินนานก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์ยืนนานก็ทุกข์ ร่างกายได้มีทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆุกอิริยาบถเนี้ยดูของจริงก็ไปอย่างเนี้ยหรือร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอันเนี้ยถ้าสมาธิเราพอนะเราจะเห็นเลยว่าเราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าเราหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้นเลยเนี่ยดูไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่ามันมีแต่ทุกข์นะมันจะสลัดกายคืนกายให้โลกไป อันแรกเลยที่มันจะปล่อยได้นะมันปล่อยอารมณ์ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอนี้มันปล่อยทิ้งได้ต่อมามันปล่อยกายทิ้งได้ขั้นสุดท้ายนะอันสุดท้ายแล้วมันจะปล่อยจิตได้จิตปล่อยจิตได้หลวงปู่สุวรรณท่านเคยเล่าเมื่อท่านภาวนาภาวนาอยู่นะมันเหมือนเอามือรวบมารวบจิตที่มันนั้นถอนออกมาแล้วว่างโลงเหวไปเลยสลัดคืนจิตให้โลกได้นะ อาการเีลาการสลัดคือจิตให้โลภของครูบาอาจารย์แต่ละองคไม่เหมือนกันหรอกท่านเล่าเราก็จะสนุกมากเลยในแวดวงนักปฏิบัติคนะือขั้นสุดท้ายเลยจิตจะปล่อยวางจิตนะเบื้องต้นในเบสิคเลยจิตปล่อยอารมณ์ไม่ยึดถืออารมณ์ขั้นกลางคือขั้นของพระนาคามีนะจิตจะปล่อยกายไม่ยึดกายแนละกายเป็นก้อนทุกข์แต่ยึดจิต หลวงพู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่านักปฏิบัติใหญ่อุบาจานทร์ดังๆนี่เกือนทั้งหมดเลยนะไปเป็นผีใหญ่เท่นี้คือคนยังไม่สามารถปล่อยวางจิตได้จะยึดถือตัวจิตผู้รู้เอาไว้รักษาจิตเอาไว้ตลอดเวลาเลยก็นะยังไม่เห็นว่าจิตนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักงั้นการเดินปัญญาขั้นสุดขีดนะเพ่มาเห็นจิตนั้นตกอยู่ใต้ไตรลัก ถ้าจิตคืปล่อยวางจิตได้ถ้าจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้หยึดินะนั้นจะเข้าไปสู่คําพูดคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าสัพเพทำมานาหลังนะพินิเวศายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่หยุดมั่นถือมันไม่ยึดอะไรบ้างไม่ยุดอารมณ์รูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสอะไรไม่ยุดไม่ยึดอะไรอีกไม่ยึดกายไม่ยึดอะไรอีกไม่ยึดจิตไม่มีอะไรให้หยึดนะตรงที่จิตคืนจิตให้โลภไปะเราจะแจ้งพรนิภาน เห็นพันิพฌานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่าเลยพันิชฌานมีจริงๆนะพวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงได้ทุกคนนะแต่ว่าเรามันมีสิ่งที่ปิดกั้นพันิพฌานทําให้เราไม่เห็นนะสิ่งที่กั้นพันิพฌานไหมอันได้ก็คือใจที่มันมีความอยากทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นนะใจจะไกลพันิพฌานออกไปเพราะพันิพฌานเป็นสภาวะที่สิ้นอยากสิ้นปัญหา ถ้าใจเรามีความปรุงแต่งดิ้นรนปลูงแต่งปรุงดีปลูงชั่วปรุงว่างๆกระทั่งปรุงความว่างนะก็คือปรุงปรุงว่างก็เรียกว่าปรุงอาเรนชาพิสังขารปรุงชั่วเรียกว่าอปุญญาพิสังขารปรุงดีเรียกว่าบุญญาพิสังขารถ้าใจยังปรุงอยู่นะเขาไม่เห็นพระนิพพานถ้าเมื่อใดใจสิ้นอยากนะใจสิ้นปรุงนะใจไม่ยึดถือกายยึดถือใจจะเห็นพระนิพพาน ใจจะสิ้นอยากได้ก็ต้องมาเห็นความจริงของกายของใจนี้หมดความยึดถือในกายในใจนี้ถึงจะสิ้นอยากได้ใจจะสิ้นความปลูกแต่ก็ต้องมาหมดความยึดถือกายยึดถือใจนั่นแหละอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาพอนานะมาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องไม่ใจลอยนะมีจิตใจอยู่กับเนื้อกันตัวเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้ แต่ต้องไม่นั่งเพ่งกายเพ่งใจนะนักปฏิบัติจำนวนมากเลยทำไม่เป็นแทนที่จะดูกายดูใจตามความเป็นจริงลรวก็นั่งเพ่งกายเพ่งใจแล้วนั่งเพ่งจะหันหน่อยก็ต้องจ้องไวจะยิ้มก็ต้องรู้นะนะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะโผก่หรอกลวงเลยนะไม่ใช่ของจริงหรอกนะมันเพ่งอยู่้วกระดุกกระดิกเลยโอ้เพ่ง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 เบื้องต้อนอาจจะคิดไปก่อนก็ได้ร่างกายไปย้างหน้าไม่ใช่เราไปยางหน้าแต่ว่าเบื้องปลายนจะแค่รู้สึกรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไปไม่ใช่เราหรอกรู้สึกถึงจิตใจที่เคลื่อนไปไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยนะถอนความเป็นเราได้ได้โสวดาเห็นแจ้งลงไปว่ากายนี้เป็นก้อนทุกข์ได้ทระหนัาขาเห็นแจ้งไว้จิตนี่เป็นก้อนทุกข์เป็นท่าร่างซึ่งทางเดิทนที่ครูบาอาจารย์พาเดินเดินไปอย่างนี้ จิตมันก็ปล่อยจิตได้นะเพราะเคยเจอเจอตั้งแต่เป็นโยมปล่อยแล้วก็หยิบปล่อยแล้วก็ยวหยิบนะีู่นะตอนมาบวชพรรษาแรกภนะาวนาไปจิตปล่อยจิตออกไปพระนะหันอะไรมาความรู้น้อยจังไปหยิบขึ้นมาหยิบนะหยิบขึ้นมาอีกในตอนออกพรรษาปีสีนึปีสนะี 44. ออกพรรษานะนึกถึงหลวงปูสรร่สุวัต นึน้อยท่านป่วยหนักแล้วญาติโยมที่อุปตารท่านว่าปัดปากเขาน้อยพุ่นกระหลกพ่อวัดปากเขาน้อยเขาระส่งข่าวมาว่าหลวงปู่อาการไม่ดีแล้วละ่ะบอกมาตนะั้งแต่ในพรรษาออกพารษาได้รีบไปหาท่านไปไปกราบ ท, นะท่านนั่งหน้ากุฏิท่านนะพักใจพระก็เข็นท่านนั่งรถเข็นออกมานะตอนนั้นท่านปู่ ลงยาเขาเยอะเลยท่านจะเบื่อๆท่า น, นาก็เบื่ออะไรเงี้ยลงเข้าเข้าไปกลาบซนะลงปูครับพ่อแม่ครู อ, อาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตนะพอพูดประโยคนีนะ้ท่านตื่นตัวขึ้นมนะันจิตท่าน alert ขึ้นมาตื่นตัวแต่ยินมาดูจิตท่านตื่นตัวผมก็ปล่อยจิตออกไปท่านกำลังนั่งเอนเองนี้นะท่านลุกขยับที้ไม่ให้นะ แล้วผมคุยจิตมันคือไม่ <c oughs> <c oughs> ท่านกินกายิ่งต่อกินก็เจนต่อเลยท่านก็บนเลยไม่เอามาทําไมนะไม่มีอะไรแล้วปล่อยมันไปเลยท่านสอนอนี้ <c oughs> พูดง่ายนะแต่มันไม่ปล่อยก็จิตมันไม่ปล่อยฮนะไอ้ที่หลวงพอ่สอสนทนากับหลวงปู่เนี่ยมีคนเข้าถ่ายวีดีโอไปได้นะอันนี้ยมีวีดีโออยู่ ใครว่าหลวกพไม่ใช่รู้สิ่งลปู่ทุบันไว้จริงเลยเนี่ยมีหลักฐานหลวปู่บอกว่าพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอระหันตนะ์เห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันใช่ว่างี้นะแต่ท่านไม่ขยายความหรอกครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดเยอะท่านบอกมันไม่มีอะไรปล่อยมันไปเลยเห็นสิ่งเดียวกันเห็นอะไรเห็นทุกข์เป็นสิ่งเห็นอะไร แล้ว เ, เห็นอะไรเองเห็นธรรมี่เห็นปฏิปทานสิเมื่อไรเห็นทุกข์เมื่อนั้นเห็นธรรมเห็นอันเดียวกันนะแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันก็ เ, เลยปล่อยได้ไม่เท่ากันท่านสอนนะใจความที่ท่านสอนอันนี้มันจะมีวีดีโออยู่แต่คนไทยนะเขาเพิ่งจะซื้อกล้องมานะวันนั้นหลวงพ่อไปนั่งคุยหลวงปู่แล้วก็กล้องมาแอบถ่ายนะโครมไปโครมาเวลาดูเนี่ย งั้นหนูไปรู้เรื่องนะครับกวสายไป้วยงั้วเราภาวนา น, นะภาวน า, นานไปอันแรกเลยรักษาสินห้าไว้ถ้าไม่มีสินห้าจิตจะฝุสั้นถ้ามีสินห้าจิตจะมีสมาธิง่ายง่อันที่สองเมื่อจิตใจเรามีสินห้านี่แล้วเราต้องมาฝึกต่อมาฝึกที่จะคอยรู้น้รู้ตัวอยู่ รู้กายรู้ใจรู้เนื้อรู้ตัวรู้จักรู้เนื้อรู้ตัวไหมมีฝรั่งนะไปแปลให้ฝรั่งด้วยกันฟังมันแปลว่ารู้เนื้อรู้ตัวแปลใะครผมรู้แต่ยากผมบอกหลวงพ่อเลยว่าแปลยากภาษาไทยเรานะมีเยอะรู้สึกตัวรู้เนรู้ตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วขั้นที่สามนะขั้นที่หนึ่งรักษาศี่งห้ไว้ขั้นที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละคือสมาธิที่ดี ขั้นที่3นะดูกายดูใจมันทํางานหลักที่จะดูกายดูใจมันทํางานด้วมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าทำได้3ขั้นตอนนี้การที่เรามีศีลจนศีลอัตโนมัติเกิดการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปินสมาธิอัตโนมัติเกิดการที่เราเห็นกายเห็นใจมันทํางานจนปัญญาอัตโนมัติเกิดไม่ได้เจตนาจะเห็นใตรลักแต่เห็นเอง เมื่อได้สติสมาธิปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยพลังมันมากนะมันจะประชุมลงที่จิตดวงเดียวจิตจะรวมลงที่จิตนะสมาสติก็จะระลึกรู้จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตปัญญาเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในจิตเพื่อจะเห็นอริยสัจนะตรงนั้นเลยอริยมรรคจะเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาทั้งหมดเนี่ยประชุมลงในขณะจิตเดียวกันนะประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันเลย คุณนะทําความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกโฟติปักเชีย ท, ทำสามสิอย่างแลประชุมลงที่จิตในขนาดเดียวกันความดีทั้งหมดพอประชุมลงแล้วจะเกิดเป็นพลังที่มหาศาลจะทําลายอาสบ้านกิเลสได้จะทําลายได้แต่ต้องทําลายทั้งสี่รอบนะถึงจะขาดเด็ดขาดที่แรกแปะ 8, ทุกขาดออกไปนะั้นเดี๋ยว ก, ก็กลับมาใหม่อย่างนี้สาครั้งครั้งที่สี่ขาดสบ้านออกไปอันนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้น เราพ่อเคยถามหลวงปู่หลวงปู่ครับต้องจิตยิ้มกี่ครั้งเรีย พ, พ้นทนะุกน่ะหลวงปู่ก็นั่งนับหลงปู่ดูนะนับนั บ, นบสี่ครั้งสี่ครั้งนี่เราฝึกนะเอาให้ได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะชาตนี้เอาสักครั้งหนึ่งเถอะน่ะเอาให้เห็นนิพพานสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะใครก็จะเป็นอะไรครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรก็ช่างเขาเราขอเห็นนิพพานสักครั้งในชีวิตหนะึ <c> ่น <oughs> เอาให้ได้ พอสองควรแก่เวลาเทศยาวไปหน่อยมีส่งกันบ้าน12คนเชิญอหลวงพ่อลูกหอวงพ่อทางอินเทอร์เน็ตไม่เคยพวดของพ่อแล้วก็ดีัจที่มักนกลับมาพ่อลูกปฏิบัติตามทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนท่าแต่ทุกอย่างดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี้แบบว่าไม่เคยหลงเลยแล้วก็ไม่เคยช้ำเชั่วเลย ปีนึ้งจะหลงสักครั้งแล้วปีหนึ่งก็อาจจะไม่เคยทาชั่วแต่เดี๋ยวนี้ปีหนึ่งวันนึ่งหลงตลอดวนันแล้วก็ทาชั่วทั้งวนันสาธุ <laughs> มันต้องอย่างนี้สิเนาะ <laughs> <laughs> พวกภาวนาไม่เป็นมันจะรู้สึกว่าฉันนะดีดีนะคนอื่นเลวหมดเลยภาวนาเป็นเราจะเห็นกิเลสผุดทั้งวันเลยนะแต่ว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าปัญญา วันหนึ่งนะเจ้าค่ะได้ฟังคําพูดที่ไม่พอใจเห็นกินอะไรมันถุดขึ้นมาเป็นกออ้นนนอนดีใจมากอุ้ยเราใกล้แล้วเราใกล้แล้วจากไป น, นั้นไม่เคยเห็นอะไรเลย <S 1> <S 1> ถ้าโลกก็ไม่เห็นนะ <S <S <ทำ S 1> ตอนที่เห็นต้องไม่โลก <S <S แต่ว่าจะห้ามใจไม่ให้โลกก็ไม่ได้แค่โลกแล้วรู้จิตขนาดนี้เป็นธรรมชาติไหมมันดีใจตื่นเต้นนะจิตมันเราไปบังคับมัน ดีใจไม่เป็นไรอย่าไป บ, าบังคับมันถ้าบังคับมนจะแน่นนะ <Okay. S 1> รู้อย่างทิ่เป็นจิตปกติถึงฐานไห ม, ไมยังไม่ถึงอะไรเลยจ้ะค่ะเราต้องฝึกนะให้จิตถึงฐานวิธีฝึกให้จิตถึงฐานนี่คือคอยรู้ทันจิตที่หนีที่จะจฐานแค่นี้ไม่ใช่ไปห้ามมันนะห้ามหนีต้องรู้ตัวตลอดไม่มีทางนะจะเครียดหนักเลยอยากให้จิตถึงฐานก็รู้ทันเวลาจิตมันหนีไปอย่างตอนเนี้มันหนีไปจิต <c oughs> ใช่ชี้พื้นออกมะให้เรารู้ทันเลนะรู้ทันมันจะกลับมาเองนะต้องมาเองนะอย่าดึงถ้าดึงแล้วแน่นตัวนี้สําคัญมากเลยคือถ้าสมาธิเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจิตไม่ตั้งมั่นนะเดินปัญญาไม่ได้ขันมันไม่แยกบางคนชอบพูดมักง่ายนะหมดไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาต้องพูดให้ละเอียดอีกนะต้องมีสมาธิที่ถูกต้องถึงจะเกิดปัญญานะไม่ใช่ว่าเอะอะว่านั่งสมาธิ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 จิตหนีก็หนีได้เองนะเารู้ทันก็รู้เองไม่ได้เจตนานจะรู้รู้แล้วก็ตั้งมั่นเองมีแต่คำว่าเองเอง่นั้นเลยมันเป็นเองออกไปนามสการค่ะอ่าไม่เคยศึกษาธรรมะนะคะเพิ่งเคยฟังเทปของท่านประมาณ ป, าณปีหนึ่งแล้วก็มีคุณอาสองคนช่วย ส, สอนคือคำถามตอนนี้ก็คือ ไม่สราบว่าตอนนี้มีจิตที่ดีพอ ท, ที่จะเดินปัญญาเลีย่ยงคะ่ะจิตตอนนี้ยังฟุ้งอยู่ ะ, ะให้ถ้ามันฟุ้งมากก็ทาความสงบทาสมถนะบ้างแต่เช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็พุโทโธพุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่มันฟุง้งจิตที่หนีจะได้สมาธิที่ถูกด้วยจะได้ทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมัน่นหนีไปคิดหรือยังไมแล้ว เน่อาจอย่งนี้มากมากนะแต่ว่าการที่จะรู้ว่ามันหนีไปเนี่ยต้องทํากรรมฐานอย่างหนึ่งไม่งั้นเวลาหนีจะหนีนา น, นะะจะหนีไหลแวบเลยเนี่ยทั้งวันไม่กลับบ้านเลยนะแล<ะ>้วทำกรรมฐ า, านอย่างหนึ่งเป็นมาพุโทโธก็ได้ไหายใจก็ได้อะไรก็ได้นะเราดูทันจิตที่ไหลไปต่อไปพอมันหนีไปปุ๊บจะรู้ได้เลยก็จะวันหนึ่งนจะหลงได้เป็นร้อยเป็นพันครั้ง ยังไม่รู้เรื่องล้วยอ่ะไมรู้กไปฟังซีดีอีกให้กันบ้านนะไปฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆฟังแล้วฟังอีกถ้ามีแผ่นเดียวก็ฟังแผ่นเดียวนะฟังไปเรื่อยการที่เราฟังธรรมะนะถึงจะเป็นธรรมะประโยชน์เดิมนะแต่เราฟังแล้วเราก็คอยดูกายดูใจเราเรื่อยๆไปนะความรู้ความเข้าใจมันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนประโยชน์เดิมนี่แะความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมมันฟังแล้วฟังอีกนะ อ ก, ก, การรักากรหลวงพอ่อผมยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยไอ้ซาว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนครับโอ้เริ่มที่ปัจจุบันนี้หนละการปฏิบัติไม่ไปเริ่มที่ไหนนะไม่ไปเริ่มที่วัดไม่เริ่มที่บ้านเริ่มที่กายที่ใจในปัจจุบันนี้แหละนะงงบ้างไหมงงครับ ง, งงก็รู้ว่ากําลังงงอยู่เนี่ยโลภกําก็รู้ว่ากําลังโลภอยู่หลงก็รู้ว่ากําลังหลงอยู่โกรธก็รู้ว่ากําลังโกรธอยู่นะ ดีใจก็รู้ว่ากําลังดีใจอยู่เสียใจรู้ว่ากําลังเสียใจเรียนลงปัจจุบันอย่างนี้ไปได้ๆไม่ยากหรอกเราอย่าไปว่าดภาพการปฏิบัติธรรมนั้นคืออย่างโ น, น้นคืออย่างนี้เรื่องมากการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ความจริงของกายของิใจถ้าใจไม่ลอยนะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาหนีไปคิดหรือยังอยากพูดเรือยงอยากเลครับโอ้เนี่ยเห็นไหม เนี่ยความอยากมันดังขึ้นสงมติเล็กใช่ไมเนี่ยการที่เรารู้ทันใจที่โอ้ใจอยากขึ้นมารู้ว่าอยากนี่หลักการปฏิบัติเลยอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติทำท่านนี้ต้องอย่าง น, นันต้องให้นีคำว่าต้องเต็มไปหมดเลยนั่นพอนาไม่เป็นหรอกอย่าท้อ ใ, นะใจนะห้ามท้อใจนะท้อก็ได้แต่ให้รู้ว่าท้อต้องสู้นะต้องมีครูบาอาจารย์บอกครับก็เรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์อยู่แนละ้นะฟังธรรมที่ท่านสอน เรื่องครูบาอาจารย์เนเรื่องพูดยากมันอยู่ที่บุญบางคนน่าดีๆอยู่แท้ๆเลยไปหาอาจารย์อาจารย์พาลงผิดไปเลยก็มีนะต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไระท่านสอนสมถะวิปัสสนาท่านสอนอย่างนี้นะธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาไม่มีคําว่าเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเลยนะ คือเราจะรู้ว่าเราจะทําสมถะนะทาเพื่ออะไรทําอย่างไรนะทําแล้วมีผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องรู้จะทํำวิตัสสนาจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรทําแล้วมีผลเป็นอย่า ง, ตงรตดูเนี้ยอาศัยการได้ยินได้ฟังบ่อยๆงงมากไปให้รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆของตัวเองไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติจะไม่ยากเ การปฏิบ <Rig> ัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเองจนเบื้องต้นเห็นว่าตัวเองไม่มีเป็นพระโสดาบันเรียนรู้ตัวเองจนเห็นว่ากายนี้แหละที่ว่าเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยจริงๆเป็นก้อนถูกจะได้ผ้านาคาเรียนรู้ตัวเองจนเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นก้อนถูกจะเป็นพระรามคือเรื่องเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็กายกับใจให้กันบ้านนะ ยยงไปคอยรู้ทันจิตที่มนีไปคิดถ้าจิตนี้ไปคิดแล้วคอยรู้จิตนี้ไปคิดแล้วรู้แล้วก็ไปรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆอนในใจอย่างเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะมันนานไปต้องสดสดร้อนๆ้อเมื่อปีกลายโกรธวันนี้รู้ไม่ไหวอย่างนั้นไม่ได้พอวนานหรอกไปรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆลืมคาว่าพานาซะ คำเน้นหลอกเหล่านะั้นยิ่งคำว่าปฏิบัติเนี่ยหลอกมากเลยคนไทยแปลว่าปฏิบัติว่าทําใช่ไหมนีม่ปรัชนาไม่ได้ทํำอะไรนะมีปรัชนาว่าเห็นแค่เห็นจริงเห็นถูกต้องปรัชนาคือการเห็นเห็นอย่างที่มันเป็นมันโกรธขึม้มาเห็นว่ามันกําลังโกรธโลภขึ้นมาเห็นมันกําลังโลภ ก, ก็ง่ายง่ายแค่นั้นเนองครับแม่ก็กราบหลวงพอ่อแต่เรียนอ่า ได้โปแนะนำะวิธีการแก้ไขอุอปสรรคที่ที่สำหรับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะค ะ, ะความไม่สม่ำเสมอหนึ่งสองก็ความฟุ้งซ่านเนี่ ย, <ไป S 2> ยตรงเป้าเลยตรงเป้าเลยตรงเป้าพูดบ่อยๆเลยคารวะเนี่ยนะมีจุดอ่อนสำคัญสองข้อนะถ้าชนะสองข้อได้เนี่ยง่าย คารวะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะมีจุดอ่อนมีจุดแข็งจุดแข็งของคารวดก็คือเรามีการกระทบอารมณ์มากอารมณ์ที่มากระทบแรงเพดังนั้นมันจะดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจง่ายถ้าขายันดูถ้าดูเป็นแต่คาววะจะมีจุดอ่อนสำคัญอยู่สองข้ออันแรกสมาธิไม่มีฟุ้งซ่านนั่นแหละวันมานฟุ้งตลอดเวลาไม่พอนานไงอีกอันหนึ่งก็คือไม่ต่อเนื่อง ทำทำหยู่อยูย่ที้เขียนเลยถ้าตอบแก้2ตัวนี้ได้นะเป็นฆราวาสไม่แพ้พรานะในขั้นโสดาสกตาขาเนี่ยไม่แพ้พระขั้นสูงขึ้นไปในครวาสสู้พระยากอย่างขั้นอนาคาเนี่ยฆรวาสสู้พรายากนะเพราะพรานี่นะออกจากกามออกจากกามครวาสเนี่ยอยู่ในกามหมกมุ่นอยู่ในกามกามไม่ใช่เรื่องเซ็กอย่างเดียวนะนี่เรื่อง รูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสอะไรเงี้ยวันวใจหมกมุ่นแต่เรื่องเหล่านี้พาวนาแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษของกรรมยากในขณะที่พระนี่นะถูกบังคับให้ออกจากการรมเวลาการรมเกิดขึ้นในจิตนีนะ่จะเห็นทุกข์เห็นโทษชัดคารวะจะได้เปรียบคารวะเคยเล่าให้พวกเราฟังด้วยมีพระองค์หนึ่งลูกเศรษฐีนะมาบวชแล้ววันหนึ่งไปเห็นพระองค์หนึ่งเขาบินทบาทได้ข้าวเหนียวถั่วดํามา อยากกินนะอยากฉันนะตัวเองไม่ได้สักทีเลยนะอยากได้อยากได้ไม่ได้สักทีเลยนานนะวันหนึ่งบินทบาทเห็นเขามีเขาเหนียวตัวดําหลถุงนะพระก็เดินเตียงแถวไปมันหมดก่อนท่านท่านเป็นคนแรกที่ไม่ได้เงินะใจก็ใจแป้วเลยนะแล้วนานไปนานไปวันหนึ่งไปบินทบาทนะได้เขาเหนียวตัวดำมาแล้วถ้ากรรมฐานนะ อาอาหารมาเทรวมกันนะั้นองค์ที่นั่งหน้าท่านหยิบเอาไปท่านไม่ได้ว่าท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านร้องไห้เลยนะนเห็นไหมเนี่ยคือท่านเห็นทุกข์เห็นโทษของกรรมเลยนะถ้าเป็นกะลาว่าอยากกินอะไรก็ไปกินแล้วใช่ไหมเดึกเดินเที่ยงคืนก็กินได้เป็นปลาอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะบางวันเนื้ออาหารไม่ถูกปากอาหารไม่ถูกปากหรือไม่มีอาหารนะ เรื่องคารวะที่แพ้พระตอนหลังนี่นะแต่ขั้นต้นๆเม่ แ, แพ้หรอกแต่แก้สองจุดนะตั้งใจให้เด็ดเดี๋ยวแล้วทําในรูปแบบทุกวันถ้าทําได้นะสมาธิมันจะดีขึ้นแล้วก็ความต่อนเนื่องมันจะเกิดขึ้นทุกวันต้องทําในรูปแบบนะแบ่งเวลาไปเลยกนะ็จะแก้จุดอ่อนสองข้อนั้นเละเวลาทุกวันเนี่ยควรจะเป็นเวลาไหนที่เหมาะที่สุดไหมครับแต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกัน หลวงพ่อนะัเวลาที่ภาวนาดีที่สุดนะตั้งแต่สมัยไหนๆ น, นะที่ช่วงบ่ายๆสามโมงสี่โมงเยน็นแม่ว่าภาวนาดีนะบางคนกลวภาวนาดีกลางคืนบางคนตอนเช้าเราดูตัวเราตอนไหนดียวตอนนั้นนะเอาเวลาที่ดีที่สุดนะมาภาวนาส่วนใหญ่ของเร็วที่สุดไปให้พลานะอย่างแก่ก่อนคือจะภาวนา ไอ้ตอนหนุมสาวเนี่ยเป็นใบที่ดีที่สุดเอาให้อยู่กับโลกก่อไว้แก่แล้วไม่มีเรื่องมีแรงแล้วจะค่อยภอวนาจะภาวนาไว้เหรองั้นเราเลือกดูนะอย่างถ้าเราว่างงานตอนเนี้ยแล้วเราพอภนาสะดวกตอนนี้นะภาวนาทุกวันทําให้สม่าเสมอเบื้องตอนทํางไมมากหรอกสิบห้านาที เราไปพอจิตใจมันคุ้นมีความสุขนะมันจะเพิ่มความภาวนาขึ้นบางคนบอกลูกศิษย์หลงพ่อประโมทพวกนั่งสมาธิไม่เป็นไม่จริงหรอกบางคนนั่งวันหนึ่งทั้งหลายชั่วโมงเริ่มมาจากสินาทีเนี่ยก็นั่งแล้วมีความสุขบางคนนั่งหัโหมเริ่มจากสมชั่วโมงวันแรกสาชั่วโมงวันที่สองชั่วโมงวันที่สามชั่วโมงเดียววันที่สีไม่เอาลนะ้ว <c oughs> สวยพวกสิบห้านาทีไม่ได้เต่ามันชนะกระตายก็ด้วยเรื่องนี้เนละ ใครใจออกน อ, อกบ้างเห็นไหมแค่เขาลากใหม่ใจเราก็ไปหาเขาละตามนิมการหลวงพ่อเจ้าค่ะยมได้ปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่ อ, อโดยการฟังซีดีมาประมาณหกเดือนเจ้าค่ะจึงทำให้ยมทราบว่าชีวิตยมที่ผ่านมานั้นอยู่กับความหลงความไม่รู้สึกตัวเออใช่ถูก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 กายเป็นส่วนหนึ่งจิตที่ไม่รู้ว่ากายวิ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่นั่นแหละขันมันแยกแล้วแต่โยมไม่แน่ใจว่าโยมคิดไปเองหรือโยมทราบจริงๆทราบ จ, จริงๆทราบจริงๆนะขันมันแยกแล้วจิตก็มีสมาธินะจิตตั้งมัน่นจิตเคลื่อนแล้รู้แล้วรู้ตั้งมัน่นที่โยมฝึกมาถูกแล้วละเราเห็นความร้ายของตัวเองเนี่ยเห็นมากเลยจ้ะค่ะบา่ทีโมโหมันเลยเนี่ยนะรู้ทันมัน มันเป็นอะไรรู้ทันมันเข้าไปไม่ว่ามันหรอกเช่กันตอนน่าดีกากก็พระคุณหลวงพ่อจะพานี่มีรู้สึกอย่างนี้ชอบนะชอบรูสึกได้หลายๆชอบมากไอ้หนูดีหนูดีฝังนั่ให้จิตออกนอกทังมือสารภาพมาทั้งห้องเลยทำมันไม่รู้ไม่ชี้ จีดาวนาวคื อ, อมันไหลออกไปอย่างไหลไปดูเขาถือไมเนี่ยใจมันไปอยู่ที่เขาลืมไปที่ภาวนาถูกแล้วดีขอบคุณค่ะไปทำอีกขอบคุณค่ะถูกแล้วโยงขอคาแนะนําและแก้ไขคือตอนนี้มันตื่นเป็นไปประคองไว้หน่อยนะโดยที่พาวนาอยู่นะถูกแล้วทําให้สม่ําเสมอเลยซ้อมในรูปแบบทุกวันจีเครื่องเรารู้เรอเรารู้ก็ได้สมาธิ นะ ก, ก็เดินปัญญาคันมันก็แยกแล้วดีคันมันยังไม่แยกอาจารย์บอกคันมันยังไม่แยกมันแยกสิทำไมจะไม่แยกล่ะถ้าจิตมันถึงฐานแล้วคันมันก็แตกออกไปมันแตกเองนะพีมันแตกตั้วเองบางคนคันไม่แยกอันนี้ต้องช่วยมันแยกต้องช่วยมันช่วยมันพิจารณาถ้าขันมันแยกได้เองเลยพอดูขันมันทำงานไป ใจนีพิคิดหรือยังแล้วใจมันนีไ่ให้รู้ทันนะไม่ว่านี่เรารู้นี่เรารู้บ่อยๆใช้ได้ไปทำอีกทีนี้ตอนนี้ที่ติดขัดก็คือที่วิญญาณขันดับนะฮะเจ็ดห้าถึงสาเจนาทีต่อหนึ่งชั่วโมงโอ้ดับมากไปหนจะทำยังไงคะจะดูคดีไว้เลื่อนไว้ทำงานบ้าน ไปทำงานบ้านนะนกวาดบ้านทูบบ้านกวาดแล้วกวาดอีกไปเรื่อยๆเคลื่อน ไ, ไมเลยคือบางคนนะจิตมันเบื่อโลกมันเห็นโลกนี่เป็นทุกข์นะมันหลบหลบก็ไปว่างหายไปเลยเราไม่ให้มันหายเคลื่อนไปมันสกัดหรือว่บ ฟังสื่อทั้งคูมาได้สี่เดือนแล้วครับก็แต่ก่อนตะหลงยาวครับสี่เดือนทำไดขนาดนี้เก่งมากครับดีก็ตื่นมางดับมางหายหลงมังครับดีรู้อย่างที่มันเป็นป น, นะทำให้สม่าเสมอดีออใช้ได้เอาเรื่องการพิจารณากายครับผม อ, อย่างไงไม่ให้ติดเพง่งเดินผมต้องดูร่างกายผมมุบตลอด หรือเปล่าหรือที่เนี้ยค <c ười> ือเดี๋ยวไปเท่นเือนะแค่รู้สึกเหมือนแค่รู้สึกว่าขยับตัวเออแค่รู้สึกใช้คําว่าแค่รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไปก็แค่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไปก็แค่รู้สึกไม่ไปจ้องมดูกายแนละ้วไปจ้องอยู่ก็ยังดีนะพอเห็นได้แต่ดูจิตนะห้ามจ้องเลยนะจ้องแล้วจะว่างไม่มีอะไรให้ดูเลยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรวม จิตผมนี้ต้องต้องดูกายหรือดูกา ย, กายไปด้วยดูกายนะจิตมีปัญญาแรงนะดูจิตไปด้วยครับนะโทรศัพท์ก็เยอะดูไปด้วยครับเรียส่งใหม่เลยครั บ, บนักัสการจังจกีกก <c oughs> อ่อเออผมก็ฟังซีดีมาได้สองเดือนแล้วก็พยายามบวชบัตรมได้ประมาณ4ีเดือนนะครับก็ความรู้สึกช่วงนี้ก็ว่า คือก็ไม่แน่ใจว่าบางครั้งก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีตัวแล้วไปเห็นจิตเห็นกายซึ่งมันแยกกันออกไปแต่ก็ก็ไม่ทราบว่าไปเห็นจริงหรือเปล่าต้องต้องฝึกไปเลย่อยนะเรายังไม่ชํานาญการเห็นที่ใจก็ไหลเข้าไปรวมนะบาทีก็ไหลไปคิดคให้รู้ทันใจที่ไหลี่คิดไั้นตั้งมันตั้งมันแล้วถึงจะเห็นจริงๆได้นะทใจยังปนกับการคิดเยอะอยู่ย แล้วต่ผมช่วงนี้ก็ใช้เดินจกลมนะครับไม่ทราบว่าจะเพราะว่าละเดินก็พยายามจะเห็นกายนะฮะแต่ก็เห็นว่าคิดก่อทีิเก<ช>็เกิดขึ้นมาลองเดินโชว์อืมได้ใช่ได้ไปเดินอนีกในวักการหลวงพ่อค่ะวันนี้เป็นวันที่ฝันที่เป็นจริง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 แล้วยูยูยมก็เข้าใจว่าที่โยมทุกข์มากเพราะโยมไม่เคยเห็นตัวนี้นะคะโยมเห็นว่าโยอมรักตัวเองมากเออพอลงเข้าใจว่าเป็นเพราะที่เรารักตัวเองมากมันก็เลยความกังวลมันก็น้อยลงซึ่งโยมไม่เคยเห็นตัวนี้เลยดีสียนะพอนาเป็นนะด้วยเห็นความจริงถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นเลยสุดท้ายมันถึงทาลายความยึดถือในตัวเองไดนะ้พวกเราแต่ละคนรักตัวเองทุกคน เ, เป็นธรรมชาติ สัตทั้งหลายรักตัวเองมากที่สุดอย่างไอ้หนุ่มๆคนไหนมามาบอกเราว่ารักเราที่สุดในโลกเลยนะบอกมันเลยเพราะโกหกนะชี้หน้ามันเลยผิดหลักมันรักตัวเองที่สุดไม่มีใครหรอกรักคนอื่นมากกว่าเพราะ ก, การที่เราเห็นว่าโอ้ใจมันรักตัวเองมากเห็นตรงความเป็นจริงทําไมรักตัวเองมากเพราะมันยังไม่เห็นความจริงของตัวเราเองถ้ามันเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจมันจะรักไม่ลง มันจะร้ายเหตุการณ์นี่ร้ายจริงๆนะใจก็ร้ายจริงๆมันจะเลิกรัก่ปมีแต่ทุกข์แต่โทษเห็นทุกข์เห็นโทษแลทวกจะเห็นธรร ม, มนี่แหละฝึไปฝืกอีกขอบคุณค่ะลวงพ่อคนเมืองนี้ภาวนานดีๆเยอะนะคือส่การบ้านหน้าฝั่งหลายคนชองกลับนวัาสกการหลวงพ่อคับคือได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือมาเดียนเมษา แต่โยมเป็นพวกติดรูปแล้วก็วิตกจริตนะฮะฟุ้งซ่านด้วยก็พยายามอยากจะเริ่มก็อยากจะมาข อ, อการบ้านคนะ่ะถ้ า, าฟุ้งนะเราก็พุทโธไปเรื่อพุทโธพุทโธพุโธไปนะใจหนีแล้วรู้พุทโธพุโธใจหนีแล้วรู้นะจจะตั้งมันต่อไปมันไม่ฟุง้งพอไม่ฟุ้งนะจะเห็นกายเห็นใจทํางานได้เองตอนนี้เวลาที่ว่าพอพูดโธใจมันหนีอย่างนี้อย่างตอนนี้นะคะโอเครู้แล้วอะ คิดอยู่แล้วพอเรารู้ว่าเราคิดเนี่ยกลับมาอยู่ที่พูดโธใหม่หออมันความคิดมันจะดับไปเองนะเพราะนั้นเวลาทํางานอย่าไปทนะํานะเวลาทํางานเราสมมติจะเขียนซอฟต์แวร์แนละ้วรู้ทนันว่าจิตคิดเขียนไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ก ไ, ไล่ออกนะ <c oughs> ให้จดจ่องานไปแต่เวลาที่เหลือเนี่ยคอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดรู้บ่อยๆแล้วที่ท่านพูดบอกว่าอยา่าโขมใจแล้วก็อย่าดึงใจเนี่ยมันต่างกับมันไปบังคับมอนส่วนมาันแทรกแสงนะ คนภาวนาไม่เป็นเนี่ยนะจิตมีแบบเยอหลงหลงหลงหลงลงะคนหัดภาวนาใหม่ๆนะหลงรู้แล้วก็จะมาบังคับมาเพ่งหลงรู้แล้วก็เพ่งเน่นๆทำไมต้องมาเพ่งกลัวจะหลงก็เลยมาเพ่งเอาไว้อีกมาจ้องเอาไว้เขาภาวนาเก่งๆนะจะเหลือหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้หลงก็รู้ไม่เพ่งภาวนาสุดขีดเป็นยังไเลยจะรูรู้รู้รู้ไม่มีหลง แล้วอย่างเวลาโยามนั่งเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าใจมันไม่ค่อยสงบแต่ถ้าฟังธรรมนี่จะสงบเนี่ยได้เลถ้าฟังธรรมแล้วการบ้านที่จะต้องฝึกต่อไปควรจะทำอะไรเจริญปัญญาบ่อยๆ<ช>ไม่ใช่ใชจเจริญเมตตาบ่อยๆเจริญเมตตาเจริญ เ, เมตตานะนั่งแผ่เมตตาเรื่อยๆฐานเดิมเรบโทษายโนะคร่ะอองั้นจเจริญเมตตาไป มิติเจริญเมตตาแล้วนั่งนึกเอานะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิเดอย่าได้มีเวนซึ่งกันและกันเลยนึกไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามดูเอาสัตว์ที่น่ารักก่อนกระอกกระแตอะไรเนี่ยดูน่ารักแล้วเป็นสุขเป็นสุขเถิเดเลยนะแล้วค่อยๆเอาสัตว์ที่เป็นกลางๆต่อไปค่อยเอาสัตว์ที่เราเกลียดอีกคนนี้แหละเกลียดที่สุดก็ <laughs> <laughs> มีชั้นเชิงนะ อยู่ๆไปแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดที่สุดแผ่ไม่ออกหรอกเมตตาเป็นสุขเป็นสุขสดเป็นสุขเป็นสุข <c oughs> ไม่ได้กินหรอกเมืองนี้มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรนะแผ่เมตตาไปแผ่เรื่อยๆแผ่ไปบ่อยๆ <c oughs> จิตจะได้สมาธิขึ้นนะได้ความสงบลงเย็นนะและ้ว่อยมาดูกายดูใจไปเฉลญเมตตาเยอะๆ <c oughs> อือ โยมาก็กําลังอะไรนะก็ภาวนาอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงยังไงค่ะท่านเห็นอะไรก็ไม่เห็นอะไรค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเห็นกิเลสไหมเวลาโกรธรู้ไหมนิดหน่อยค่ะเออให้รู้เยอะๆหน่อยอย่าไปประหยัดมากรู้น้อยๆโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้นะะค ไปรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆของหนูนะมันมีจุดอ่อนใจมันฟุง้งนะใจมันฟุง้งมันช่างสงสยัยช่างคิดฟุ้งเก่งคช่ไหมท่านใช่ไม่หลอกหรอ <c oughs> ไปรู้ลมหายใจไหมหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไใจเคยรู้สึกตัวบ่อยๆไปฝึกอย่างนี้นะนถ้าสมาธิยังไม่พอค่ะท่าน จำได้ไหมค่าท่านอ่ะให้ไปทำอะไรให้สมาให้รู้จักตัวตัวเองค่ะแบบว่าหายใจเข้าออกออนเอีหายใจเข้าก็รู้สึกนะหายออกทโทไปเรื่อยๆนะคะท่ดีต้องฝึกเยอะๆนะค่ะท่านถ้าสมาธิเราไม่พอนะ่ยเราจะดูกายดูใจไม่ได้จริงหรอกค่ะไม่ใช่ง่ายนะคะท่านยากมากเลยค่ะมันไม่อไม่เจียงด้วยหรอกเรื่องยากไม่ยาก แต่ว่าหลวงปูดุลยเคยสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยที่หลวงปูดุลสอนหลวงพ่อคือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติยากมากค่ะท่านอองงแสดงว่าไม่ปฏิบัติปฏิบัติทุกวันนะคะท่านก็ไหว้พวระสวดมนต์ภาวนาทุกวันครับ น, นูเห็นเล่แทนมันจะกระจนเจะกระจจนไปคิดนั่นลักษณะจิตเนี่ยนะเป็นจิตฟุ้งซ่าน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 <laughs> Just become aware. Much. <laughs> He says you're doing fine. We are feeling the body. He says you're doing fine. w are f the b s o i n We are f e e l i n d m o v i n g f r o m t h i n g t o t h i n g Just s e e i t s a s doing f i s i n g t e And learn to become aware more and more often, watching the body move, seeing the sensations. <laughs> don't be worried that you're don't be, <laughs> don't be worried that you're not smart enough. t h a t a e I t h i that's a i He says he says your your your biggest problem is that you're worried that you don't you're not going to get it or that you don't understand it. เรากลัว mm hmm. จะไม่รู้นะก็ไปคิดออกสงสัยใช่ไหมอย่างนี้เพ่งออก now you're controlling you focusing งา น, นที่ผิดมันในสองงานนั้นหลงไปคิดไม่รู้ว่ามันไปกลัวมันจะหลงจ้องมัไม่เพ่งอะไ ร, ะไร so the the, the the the two areas that we can go wrong is we go to think and we didn't know that we are thinking the other one is pulling in and controlling or focusing and not knowing that we did that either ให้ดูมันทำงานนะ So just watch it doing these things. Just watch it work. t h e just no play on a game. He says you're good. You're g o o u t bang. h i e t s u n o m n n a u t a i c r o n r f u r s <laughs> e l v a t e r e s t e d g e s เวลาเราคิดเราสนใจเรื่องที่คิดนะเราลืมตัวเราเองเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราทิ้งตัวเองบ่อยที่สุดเลยนั่นคนอื่นเขาทิ้งเราในเรื่องเล็ก น, นะเรายังทิ้งตัวเองเลยหลวง<า>ปู่พูดคาไหนเขาคำนั้นเลยหลวงปู่ เ, าเปานพระไม่พูดเนาะเวลาพูดเนี่ยนะคำไหนคำนั้นเลย ก็จากหลวงพ่อคืนเลยหลวงพ่อคืนก็หลวงพ่อคืนตอนอยังไม่บวดนะครับไปเรียนจากหลวงปู่หลวงปู่บอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวเราก็คืนนะเสียใจเราหลวงปู่ให้กรรมฐานคนื่นเยอะของเราให้ถูกผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะึ่งสองเส้นก็ไม่ได้เสียใจไม่เอาอะกรรมฐานอย่างนี้น้อยไปเลยไปพาณาอยู่อินมะเปพงพรรษาหนึ่งนะไม่ได้อะไรเลยก็ลกลับมาสุริน จมาสซลินแล้วภาวนาไปเรื่อยแล้ววันนึงก็นึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ให้ดูผมเส้นเดียวก็ามาดูผมนะดูผมเส้นเดียวจิตรวมปุ๊บนละหลวงปูนนงป่เป็นพระอาจารย์มียองคนหนึ่งไปหาหลวงพ่อที่ศรีราชาเนี่ยไปบอกว่าตอนจะลาหลวงปู่มาอยู่ชนบุรีเนะีไปบอกหลวงปูดิฉันจะไปอยู่ชนบุรีหลวงปู่บอกอ๋อเจ้าจะไปอยู่เมืองน้ําเข็มมั้ง <c oughs> ถ้านก็บอกเออท่านก็บอไปออดีก็ต่อไปรู้สิษย์เราจะไปอยู่ที่นั่นไม่ไหมนี่เขามาเล่าให้เราฟังอีกทีท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากเลยดีมีบุญเดี๋ยวหลวงพ่อให้พอนิดน้อยนะอยะถาวาริวะหาปุราปริริปุเรนตีสาคารัง เอวเมวะฮิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสนิจตุสัเพบุเรนตุสังกปาฉันโถปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาตนาสีลิสเนจังวุทาปจายิโน ชะตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังพวกเราภาวนาเป็นแล้วส่วนใหญ่นะหลวพ่อมาดูเมื่อพวกเราที่ฟังซีดีบ้างหน่บ้างเนยะจะพาวนาได้ไหมว่านาได้โยมก็ภาวนาดีพาวนาเป็นเยอะแยะยนไม่จำเป็นต้องอยู่ใกลๆหรอก ภาวไปตามฟังซีดีนะภานาถ้าสงสัยก็ไปเปิดซีดีฟังมีทุกเรื่องคําถามความสงสัยของพวกเราไม่จะซ้ําไปซ้ามาเป็นเรื่องไม่ตึงไปก็หย่อนไปมีเท่านั้นคนไหนไม่ภาวนาก็หย่อนไปคนไหนภาวก็ตึงไปแค่มีสติรูล้ลงไปตามที่เป็นไม่ยากเลย ให้กันบ้านนะไปตามทุกทุกคนเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นนะทั้งใครทั้งมัน